มหาสีหนาศสูตร 1. เปรตตนหนึ่งชื่อว่าอธิสังคาลิกมีแต่ร่างกระดูกลอยอยู่ในอากาศฝูงแรงเหี่ยวและนกตะกรุมพากันโฉบอยู่ขวักไ่จิกสับโดยแรงจิกถึงยื้แย่งตามช่องซี่โครงสะบัดเปรตนั้นไปมาเปรตนั้นได้แต่ร้องครวนครางอยู่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 นางเคยเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากาลิงคะเป็นคนขี้หึงได้เอากระทะเต็มด้วยฐานเพลิงคลอกสตรีร่วมพระราชสามีเจ็ดเปรตตนหนึ่งชื่อว่าอาศิส ก, กพันธะมีศีรษะขาดลอยอยู่ในอากาศตาและปากของมันอยู่ที่อกเขาเคยเป็นเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรชื่อธมาริกะอยู่ในพระนครราชครุนี้เอง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 คาให้การของเปรตเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะลามกมีวาจาชั่วแต่สำรวมกายตามพระวินัยด้วยการสำรวมดีในพรหมจรรย์นั้นในอัตภาพนี้จึงได้แล้วซึ่งผิวพันธ์ดั่งทองแต่เพราะกล่าววาจาส่อเสียดไว้มากในอัตภาพนี้จึงมีปากที่เหม็นเน่ามนุษย์ทั้งหลายหากฉลาดก็จงอย่าพูดส่อเสียด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 ก็ขอให้ดิฉันต้องไปกินเนื้อบุรเถิดมาบัดนี้ดิฉันจึงมีกายอันเปื้อนด้วยหนองและโลหิตเวลาเช้าคลอดบุดห้ตนเวลายันอีกห้าตนแล้วกินบุรเหล่านั้นหมดแต่แม้บุรถึงสิบตนก็ยังไม่อาจบรรเทาความหิวของดิฉันหัวใจของดิฉันเร่าร้อนอยู่เป็นนิดด้วยความหิวนั่นเพราะวิบักแห่งกรรมคือการทาให้คันตกและการโกหกเอาตัวรอด จ า, จากปัญจพุทตขาที่กะเปตวัตถุแม้ดิฉันมีรูปงามแต่ก็เป็นอยู่ด้วยความอับอายเพราะไม่อาจนุ่งห่มอาพรจึงไม่กล้าออกจากวิมานด้วยร่างที่เปลือยเปล่านี้โปรดอย่าให้อาพรกับมือเลยเพราะดิฉันจะรับไม่ได้ไม่มีทางสำเร็จแต่จงให้อาพร น, นั้นเป็นทานแก่อุบาสิกาผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนา ขอร้องให้นางครอบครองและนุ่งห่มผ้าผืนนี้และท่านจงตั้งจิตอุทิศบุญให้แก่ดิฉันเถิดจากคาราตยะเปตตะวัตถุดูกรเทวีผู้มีรูปร่างหน้าดูหน้าชมเราปรารถนาเพื่อจะอยู่บันเทิงกับท่านในสวนนันทวันของท่านนี้เราจักต้องทำกรรมอันใดจึงเป็นเหตุให้ได้มาอยู่ร่วมกับท่าน จากรัฐการีเปตวัตุคำของมนุษย์ผู้เข้าใจว่านางเปรตเป็นเทพธิดามุมมองอันควรได้จากกุทธพจน์และคำให้การของเปรตเมื่อพระพุทธเจ้าเปรียบเปรตภูมิว่าเทียบได้กับร่มไม้ใบบางบนทางกันดานพื้นที่แถวนั้นก็ไม่ราบเรียบ มีความคลุกครับนั่งนอนไม่สบายก็แปลว่าเส้นทางสู่ความเป็นเปรตคือจุดกลางทางหนึ่งที่ไม่ช่วยตเราความทุกร้อนจากการเดินทางเลยเคยร้อนมาอย่างไรเคยหิวมาแค่ไหนก็ยังร้อนแลนะหิวเกือบเท่าเดิม น, นั่นเองและถ้าฝนตกแดดออกเมื่อไรทุกก็เข้าถึงตัวได้เต็มที่เมื่อนั้นเปรตภูมิจึงให้ความสุขและความทุกขแบบลุ่มรุ่ ม, ม, มดอนๆ อ, อ, อยู่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 เป็นแบบอย่างในการพูดคำจริงมาค่อนชีวิตแต่บั้นปลายกลายเป็นคนหลวงโลกเสเอง5้าห้ามเ ด, เด็กแต่ต้องเล่าแต่ตัวกลับกินวายไม่หยุดเสเองคงกล่าวโดยพิสดารให้ครบไม่ได้แต่โดยสรุปก็คือเป็นพวกเครื่องดีเครื่องร้ายแต่ความร้ายมีกำลังแรงกว่าแล้วถามว่าคนที่เครื่องดีเครื่องร้ายในโลกนี้มีมากเพียงใด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 แล้วไม่มีกำลังบุญมาจุดประกายความสว่างให้จิตเลยจิตก็ถูถความตระนกตกใจครอบงำเต็มๆจึงถูกตรึงไว้ในสภาพเปรตชั้นต่ำที่จำภาพสุดท้ายก่อนตายได้แม่นต้องวนเวียนอยู่แถวนั้นเองกล่าวได้ว่าความตระนกตกใจในภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนั่นเองคือในมิตรบอกหลังร้ายหลังตายไปอุบัติเหตุให้ตกตายกระทันหัน เป็นเครื่องบอกว่าบาปเก่าแต่หนหนหลังให้ผลบีบให้รอดจากอบายภูมิยากตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรตระหนักว่าบุญใหม่สาคัญขนาดไหนคนที่สั่งสมบุญใหม่ไวมากขนาดปรับจิตให้สว่างเป็นกุศลอยู่เรื่อยๆ เ, เท่านั้นจึงเอาตัวรอดจากความตกใจขนาดเชียยเป็นเชียยตายคุณจะรู้สึกถึงความเป็นอัตโนมัติของจิตที่ยกขึ้นตั้งอย่างมั่นคงเบาใจ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 ตัวเหมือนคนหัวเหมือนสัตว์ก็ได้หรือหัวเป็นคนแต่ตัวเป็นสัตว์ก็มีแก่นสารไม่ได้อยู่ที่ผิวนอกแต่อยู่ที่อาการเสวยทุกกล่าวคือความเป็นเปรตนั้นถ้าไม่หิวไสกิว่วก็ต้องโทษบางประการให้อับอายหรือไม่เช่นนั้นก็ขาดอะไรสักอย่างที่ก่อให้เกิดความโหยหาอะไรไม่เลิกดูอย่างโอคิลินีเปรต ถึงเคยเป็นชาญยาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผลของกรรมที่ปรากฏก็ไม่ได้แตกต่างจากหญิงชาวบ้านเลยเพราะขณะก่อกรรมไม่มีการแยกชั้นวันนะว่ามีสัรเป็นอะไรผลของกรรมย่อมปรากฏตามนั้นคือไม่เหลือร่องรอยความยิ่งใหญ่ในอดีตมาช่วยให้ดูดีกว่าเปรตอื่นได้เกียรติภูมิอันสง่างามดังเดิมเป็นอันหมดไปเหลือแต่ภาวะชวนสังเวชแบบเปรดตนหนึ่งเท่านั้น คุณคงเคยได้ยินว่าเปรตอยู่ใกล้ภูมมนุษย์จำอดีตรครั้งเป็นมนุษย์ของตนได้และจำญาติของตนเองได้อีกทั้งอาจรับความช่วยเหลือจากญาติได้อันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงให้ดีๆคือหนึ่งถ้าเปรตเป็นพวกมีกรรหนักคือมีความหนักแน่นในภาวะนั้นเที่ยงที่จะต้องเสวยทุกข์ในสภาพนั้น